Thank you. ที่สุดนะเทศกาลเข้าพรรษาก็กําลังจะยุติหรือผู้ปราชา์สมัยใหม่คือกาลังจะปิดฉากลงเวลา3เดือนนะตอนที่เราเริ่มเข้าพรรษาวันแรกนะอาจจะรู้สึกว่ามันนานนะสามเดือนแต่เพอแป๊บเดียวนี่นะมันก็กําลังจบพรรษาละหลายคนที่ตอนที่มาอยู่วัดมาบวชใหม่ นับวันนับวันถอยหลังก้าส8บแปนะรอเมื่อไรเจะ อ, อพรรษาอารู้สึกว่าเวลาแต่ละวันมันผ่านไปนานเหลือเกินกว่าจะจําพรรษาได้ครบอาทิตย์แรกนี่โอ้นานนะแต่ประเดี๋ยวเดียวก็เท้าข้างหนึ่งนี่มันก็ออกจากพรรษาแล้วนั่นเละยังเดือขายข้างหนึงนะ่งเวลามันผ่านไปเร็วนะ แต่ว่าก่อนที่จะบรรษานี่ก็ควรที่จะได้ถามตัวเจ้าของเองนะว่าได้อะไรมาบ้างหรือเปล่านะเกือบสามเดือนนะที่ผ่านมาต้องทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยตื่นแต่เช้านะทีสามเราก็ต้องปฏิบัติต้องระมัดระวังควบคุมกายวาจา จะทำตามใจเหมือนก่อนไม่ได้ต้องอดต้องละต้องลดหลายอย่างโดยเพราะความสุขความบันเทิงเรื่องลมความสนุกสนานความอิสระเสรนะีที่จะทำตามใจก็อุตสาห์นะข่มใจอดกลั้นอันนี้ก็คือนะสิ่งที่เราได้พยายามทำมาตลอด สามเดือนส่วนพ่อแม่ออกก็แม้ว่าจะไม่ได้มาอยู่วัดทุกวันนะแต่ว่าก็มาจำศีลนะแต่และศีลนี่มันก็ไม่ใช่ว่าสุขสบายเมื่อเทียบกับอยู่บ้านนะก็เียว่าต้องใช้ความตั้งใจต้องใช้ความพยายามโดยเพราะคนที่ไม่คุ้นกับการนะจำศีลเราก็ทามานะตลอดจน กา้จบภาษาแล้วนะถามใจเจ้าของว่าเราได้มีความก้าวหน้าขึ้นบ้างหรือเปล่าเพราะว่าการจำภาษานี่ก็คล้ายๆกับการเปิดเรียนนะนักเรียนเนี่ยเมื่อเปิดเรียนจากวันแรกนะไม่ค่อยรู้อะไรพอมาถึงวันที่โรงเรียนกรลังจะปิดเทอมเนี่ยมันต้องรู้อะไรบ้างนะขนาด หัวเผือกหัวมันเนี่ยฝังดินสามเดือนนี่มันก็โตแล้วนะโตถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยที่ป่าเพิ่งเปิดใหม่ๆนี่โอ้หัวมันนี่เท่าต้นขาเลยนะหลวงพ่อคำเขียนท่านเคยเล่าให้ฟังสมัยก่อนนี่หัวมันใหญนะ่ไม่กี่เดือนเท่านั้นแหละต้นไม้เนี่ยถ้าเป็นสามเดือนเนี่ยฤ ด, ดูฝน อย่างช่วงเข้าพรรษานี่ต้นไม้ก็โตอพาร์ที่ในบินทบาสนี่สังเกตได้ต้นไม้ที่เริ่มปลูกวันแรกๆตอนเข้าพรรษาใหม่ๆตามทางที่ไปบ้านกุดงงนะต้นเล็กๆสามเดือนผ่านไปมันก็โตแล้วนี่พอที่จะอยู่ได้ถึงแม้ว่าหน้าแรงจะมาถึงไม่มีฝนนะมันก็คงพอจะอยู่ได้เพราะว่ารากก็ลึก ใบก็พลิออกมาเยอะนะงั้นถ้าสามเดือนที่ผ่านมาเราไม่ได้อะไรเลยนะีอันนี้ก็ถือว่ามันแย่ยิ่งกว่ า, าหัวเผือกหัวมันหรือต้นไม้นะแต่ก็เชื่อว่าเราต้องได้อะไรไปบ้างนะแต่ก็ลองถามนะเจ้าของดูได้อะไรมีสติเพิ่มขึ้นไหมมีความรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามีปัญญาคือความเข้าใจในเรื่องชีวิต เข้าใจเรื่องจิตใจของตนเองเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมนะอย่างน้อยๆก็รู้ว่าความสุขที่แท้นี่มันอยู่ที่ไห น, นมันอยู่ที่ข้างนอกอยู่ที่เงินทองนะความสนุกสนานลื่นเลงอาหารอร่อยเพลงเพราะนะหรือว่าความสะดวกสบายทางวัตถุหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ที่ใจเจ้าของความทุกเกิดจากอะไรนะ ทุกกายเกิดจากสิ่งภายนอกและทุกใจแหะมันเป็นเพราะคนนั้นคนนี้เป็นเพราะเจ้านายเป็นเพราะลูกเป็นเพราะเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเป็นเพราะดินฟ้าอากาศเป็นเพราะคำพูดที่ไม่ถูกหูคาตอบว่ า, าด่าทอของเขาหรือเปล่าหรือเป็นเพราะใจของเราที่มันไม่รู้จักปล่อยรู้จักไม่รู้จักวางใจที่ยึดติดถือมัน่นใจที่ไม่ฉลาด นะอย่างน้อยก็ต้องได้ปัญญานะความรูนะ้ในเรื่องราวนี้มาบ้างหรืออย่างน้อยๆก็ได้ความรู้จักอดกลั้นนะเรียกว่าขันติอดทนนะหลายคนก็ไม่เคยมาใช้ชีวิตนะในวัดก็จะรู้สึกลำบากอาหารก็ไม่ถูกปากจะหลับจะนอนก็ไม่สะดวกสบายนะ ยุงมแมลงก็มารบกวนเยอะแต่ว่าสามารถจะฝึกใจอดทนกับมันได้ทำใจเป็นปกตินะกับมันได้อันนี้เรียกว่ามีขันตินะหรือว่าอยู่ง่ายกินง่ายบางคนก็มีความพอใจแม่ออกพ่อออกมาจำศีลใหม่ๆก็การถือศีลแปดนี่มันยากนะกินข้าวกินอาหารในเวลาวิกาลก็ไม่ได้นะต้องนอนเสื่อ หรือว่าบางคนอาจะจะนอนคุ้นนะตั้งแต่เกิดแล้วนะแต่ว่ามันมาว่าก็ยังไม่สะดวกไม่มีโทรทัศน์ให้ดูไม่มีเพลงฟังนะต้องสำรวมกายวาจาและต้องมาปฏิบัติทำเพื่อสำรวมจิตด้วยนะอันนี้พออยู่ไปอยู่ไปมาจําศีลครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนะี่ยจน 12, สิบองสิศีลเออรู้สึกว่าเออมันดีนะ ใจสบายพบวกวับความสงบนะอันนี้ก็เรียกว่าจิตใจใฝ่ธรรมมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนะอย่างนี้ก็ดีนะเราถือว่าได้อะไรไปบ้างนะจากการมาจำภาษาจากการมาจำศีลอย่างน้อยต้องได้พวกธรรมะเหล่านี้สติปัญญาขันติสมาธิความสันโดษนะถ้าหากว่าอยู่ด้วยความอดกลั้นมันมีแต่ความทุกข์ข้างในอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะ เพราะว่าพอออกไปนี่มันก็จะกลายเป็นการเรียวกว่าระเบิดเลยนะหรือว่าถ้ารู้สึกว่าจำพรรษานี่มันมีแต่ความทุกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ในคุกเนละทันทีที่ออกจากคุกนี่ก็จะรู้สื่อโอ้มันอิสระเสรนะีต่อไปนี้จะทําอะไรก็ได้ตามใจนะอันนี้อันตรายเมื่อสี่ห้ปีก่อนนะมันมีผู้ชายคนหนึ่งนะ ก็ตั้งใจดีนะงดเล่าเข้าพรรษางดเล่าเข้าพรรษาก็ไม่รู้ว่าในวันศีนี่มาจําศีหรือเปล่าแต่ก็พยายามงดนะเดิมเป็นคนติดเล่าแล้วก็ลู้ว่าเล่ามันไม่ดนะีมีคนเขารณรงค์กันว่าให้งดเล่าเข้าวพรรษาอา้าวก็ทําก็พยายามทํานะแต่ว่าก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นมากนะพอออกพรรษาปุ๊บนี่โอ้ดีใจหลายนะ อ, อิสระเสรีแล้วนะออกภาษาวันแรกนี้ก็ตรงเข้านะไปซื้อเหล้าทันทีกินเหล้านะไม่ได้กินมานานนะสามเดือนมันก็เมือกเตอาดไตอ ย, ย, ยากกินใหญ่กินใหญ่ไม่นานก็เมาไม่นานก็พอเมาเสร็จก็กลับมาบ้านก็มามาภาษาชาวบาเรียกมาทํางี่เง่านะมาทํางี่เง่ากับเมียเอ้อวยวายนะเมียพูดไม่ถูกหู นิดหน่อยก็โกรธนะเมียก็ผิดหวังนะออกพรรษานะแค่วันเดียวเท่านั้นแหละเผือเวันออกพรรษาด้วยนะกินเหล้าเมาทะเลาะกันผวัวนี้โกรธมากนะก็พยายามทําร้ายเมียด้วยความลืมตัวก็เมือก็จะบีบคอเ ม, มียให้ตายให้เมียนี่ไม่รู้ทํายงไงนะเกินจะตายอยู่แล้วก็มือนี่เปมือก็เปรดะปะเปรอปะก็ไปเจอไปเจอกับด้ามนะ ด้ามจอบหรือด้ามจอบหรือว่าคราบนี่แหละก็สะบัดตัวหลุดมาแล้วก็เอาเนี่ยเอาเอาคราบนี่แหละเวียงเข้าไปนะมันปัก อ, อกผัวเนี่ยตายคาที่เลยนะตายในวันออกพรรษาด้วยมัง้งเนี่ยโอ้นี่มันน่าเศร้านะแทนที่จะอแทนที่จะได้ธรรมะไปคุ้มครองนะจิตใจเจ้าของกับกลายเป็นว่านะ ตายเร็วเข้านะอันนี้เพราะว่าเกี่ยวข้องนะธรรมะนี้ไม่ถูกต้องนะเข้าพรรษาก็นึกว่าเป็นความอดกลั้นเป็นการกดข่มอย่างเดียวพอออกพรรษาเข้าก็โอ้อิสระเสรีเลยนะให้เรามองว่าออกพรรษานี่มันก็เหมือนกับว่าโรงเรียนปิดนะถึงแม้จะโรงเรียนปิดเราก็ต้องยังต้องกินข้าวไม่ใช่ว่าเรากินข้าวแต่เฉพาะช่วงที่โรงเรียนเปิดเรายังต้องกินข้าวแม้โรงเรียนปิด นักเรียนเนี่ยเมื่อโรงเรียนปิดเนี่ยการศึกษาหาความรู้ก็ยังต้องมีอยู่ต่อไปไม่ใช่ว่าพอโรงเรียนปิดก็ไม่ศึกษาหาความรู้เลยนะบางคนก็ไปเรียนพิเศษนะสมัยนี้ก็ไปเรียนพิเศ ษ, ษแต่ถึงแม่ไม่ไ ป, ไปเรียนพิเศษนะ <c oughs> ก็ยังต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะการเรียนรู้มันเป็นเรื่องที่ต้องทําตลอดชีวิตจบปริญญาเอกแล้วเนี่ยก็ยังต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะไม่ใช่ว่าจบกันนะ ทำมาเหมือนกันนะออกพรรษาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าหยุดปฏิบัตินะหยุดการรักษาศีลนะหยุดการเจริญสติสมาธิภาวนามันก็ต้องทําเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องทําทั้งชีวิตจะพูดว่ามันเป็นวิชาชีวิตก็ได้นะขณะวิชาทางโลกก็ยังต้องเรียนไม่จบไม่สิ้นนะวิชาทางโลกเนี่ยอย่างที่บอกนะจบปริญญาเอกแล้วก็ยังต้องเรียนต่อ อาจจะไม่เรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัยแต่ต้องศึกษาหาวความรู้อ่านหนังสืออ่านาไปเข้าไปเข้าสัมมนามีความรู้หาวความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพอยู่เรื่อยๆอันนี้คือวิชาทางโลกแต่วิชาชังวิทค์ก็เหมือนกันนะปิดเทอมแล้วหรือว่าเรียนจบแล้วก็ยังต้องนะศึกษากันต่อไปจนกว่าจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นั่นแหละนะถึงจะเรียกว่าเลิกศึกษา เรียกว่าัศเซขบุคคลเศเซขบุคคลคือคนที่ไม่ต้องศึกษาแล้วแม้แต่พระ อ, อริยะชั้นตนนะพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีก็ยังต้องศึกษานะเรียกว่าเป็นเสขบุคคลเสขบุคคลเนี่ยเสขขาก็คือศึกษาหรือศิกขานะต้องศึกษาต่อไปอันนี้รวมถึงคนที่จะศึกหาลาเพศนะสืหาราเพศเนี่ยนะ ก็นิยมกันทํากันออกภาษาแล้วสึกษาศึกษาศึกษาประเพทเนี่ยมันมาจากภาษาบาลีว่าลาสิกขานลาศิกขาสิกขาก็คือศึกษานเองแต่สิกขาในที่นี้เนี่ยเขไม่หมายถึงการศึกษาที่เรียกว่าใจศิกขานะใจสิกขานี่ต้องทำเรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างที่ว่าส่วนสิกขาหรือลาศิกขานี่ก็คือลาศิกขาบทสิกขาบทก็คือข้อปฏิบัติ2 2งรข้อนะเราก็ลา เราก็วางนะแต่ว่ามันก็ยังมีอย่างน้อยเนี่ยสีลห้าที่ต้องศึกษาต่อไปเพราะว่าไตรสิกขายังต้องทําต่อไปเทอมแล้วเรื่องไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของคนที่รักตัวเองคนที่รักตัวเองเนี่ยก็ย่อมหวังเฉพาะคุณเบื้องสูงนะอย่างที่เราสวดกันเพราะฉะนั้นบุคคลเมื่อรักตนเมื่อหวังเฉพาะคุณเบื้องสูงจงทําความเคารพพระธรรมเนี่ย จำได้ไมเวลาบางบทเนี่ยก็สวยแบบนี้พูดรักตนใครๆก็บอกรักตนเนี่ยเมื่อรักตนเราก็ต้องหวังทําเบื้องสูงก็คือว่าหวังจะพัฒนาตนให้ให้ก้าวหน้าอยู่ในธรรมขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าศีลนี่ก็ไม่ใช่แค่ศีลห้านะศีลแแล้วก็ศีลสิ 10, หรือว่าศีลที่ตัวเองเนี่ยคิดว่ามันเหมาะสมนะกับการพัฒนาตนให้เจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไปจะเป็นศีลเฉพาะตนก็ได้นะ ที่มันเหมาะสมะเช่นเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเลิกกาแฟเล่นเกมออนไลน์ให้น้อยลงนะดูละครซีรีส์เกาหลีให้น้อยลงอ ะ, อะไรเงี้ยนะจับใจ่ายใช้สอยเข้าห้างช้อปปิ้งให้น้อยลง อ, อันนี้ก็เป็นศีลไดนะ้เป็นศีลเฉพาะตนนะหรือว่าตั้งใจจะไม่โกรธนะอันนี้ก็อาจจะเอาธรรมะจากทศพิศรัชธรรมที่พูดเมื่อวานอโกธะคือความไม่โกรธเอามา เป็นเป็นธรรมะประจําตัวว่าเราต้องใจจะไม่โกรธวันไหนที่โกรธก็บริจาคเงินให้กับสาธารณประโยชน์มูลนิธิบริจาคเงินให้วัดสิบบาท50 บ, บาทร้อยบาทก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นศีลได้ดังนั้นคนเรานี่จะต้องเรียนกันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยออกภรษาแล้วก็อย่าทิ้งศีลอย่าทิ้งธรรมนะยัยงต้องทำยังต้องปฏิบัติต้อง เข้าหาธรรมะต่อไปอหยุดกินเมื่อไหร่นะก็ถึงค่อยวางนะถึงค่อยเลิกศึกษาเลิกพัฒนาตนตราบใดที่ทุกวันยังกินข้าวก็ต้องหาธรรมะมามาใส่ใจของเจ้าของข้าวนี่มันเป็นอาหารกายนะส่วนธรรมะเป็นอาหารใจแต่ยังมีลมหายใจยังไม่ตายยังต้องกินข้าวอยู่ก็ยังทิ้งทำไม่ได้ เราให้มองว่าเนี่ยออกพรรษานี่ไม่ใช่วันที่เราออกจากคุกไม่ใช่วันที่เราจะมีอิสระเสรีจะทําอะไรตามใจก็ได้แต่มันหมายถึงการที่เรายังต้องอปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยไปเหมือนกับโรงเรียนปิดโรงเรียนปิดมันก็เป็นแค่เหตุการณ์เฉพาะคราวนะแต่ว่าการศึกษาการเรียนรู้การพัฒนาตนยังต้องทําต่อไป ต้องระวังนะเพราะว่ากิเลสนี่ยมันก็คอยนะคอยช่วยโอกาสอยู่เสมอในช่วงเข้าพรรษานี่บางคนก็พยายามเอาชนะเอาชนะกิเลสนะควบคุมจิตใจไม่ให้กิเลสเข้ามาพาให้เสียนะเคยกินเหล้านะพอมาเข้าพรรษามาถือศีลก็พยายามไม่หลงเชื่อกิเลสเอาชนะกิเลสได้แต่พอพรรษานี่นะ กิเลสมันก็ไม่ลดละนะมันก็จะหาเหตุหาเหตุว่เฮ้ยออกพรรษาแล้วไปฉลองกันเถอะนะขอาพรรษาเนี่ยตลอดสามเดือนนี้แกทําได้ดีมากเลยนะงดเหล้าได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้รางวัลตัวเองหน่อยต้องไปฉลองชัยชนะหน่อยนะกิเลสมันบอกงี้แล้วไปฉลองอะไรนะฉลองยังไงก็ไปกินเหล้าอย่างผู้ชายคนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะก็โดนกิเลสหลอกนะอุตสา เอาชนะกิเลสมาได้ต้องสามเดือนนะไม่กินเหล้าเลยไม่แตะเหล้าพอพออกพรรษาปุ้มนี่โอมันโวยโอกาสทันทีไปฉลองกันนะอิสระเสรีแล้วนะเสร็จแล้วเป็นไงก็แทนที่จะมีความสุขความเจริญนะก็กลับตายในวันนั้นนะเพราะว่าไอ้ความเมาหมายเพราะไปหลงเชื่อกิเลสเอาพรรษาเนี่ย น, น, น, นะอย่างข้าบรรษาเนี่ย 3เดินนะก็ไม่ใช่ว่ามันทําดีแต่เฉพาะเข้าบรรษาออกบภรษาแล้วก็เสียท่าตนะุให้เรามีความฉลาดในการรู้ทันกิเลสสิ่งที่ทําให้เรารู้ทันกิเลสเนี่ยคือสติเนะนี่ยสติเนี่ยทำให้เรารู้ทันกิเลสได้ไวเพราะเป็นเหมือนตาในกิเลสเมือนกับศัตรูที่มันจะเข้ามาหรือเป็นสายลับนะที่จะเข้ามาก่อความวุ่นวายมาก่อ ก, อการร้ายในเมืองเมืองสมัยก่อนนี่เขาก็มีมีกำแพง มีประตูเมืองนะมีทหารยามเฝ้าทหารยามนี่ก็ทหน้าที่ดูว่ามีผู้ร้ายนะมีสายลับนะจะเข้ามาก่อกวนสร้างความวุ่นวายในเมืองไหมนคร น, นี้เนี่ยมันก็อยู่ในใจเราเนะเรียกว่าจิตตนครใจเรานี่ก็เปลี่ยนเหมือนกับนครก็ต้องมีกำแพงเมืองแล้วก็ต้องมียามที่คอยเฝ้าประตูเมืองยามนั่นคือสตินั่นแหละ สติก็คอยดูว่ามีใครที่มีพิรุษนะเข้ามารือเปล่าสติที่ไวเนี่ยนะมันจะรู้ทันกิเลสได้อย่างฉับพลันมากนะกิเลสนี่จะเป็นความโลภความโกรธนะแม้แต่ความเศร้าเนี่ยมันก็สติก็ไม่อยอมให้ผ่านง่ายๆนะถ้าใครมีสตินะรักษาใจแล้วก็มีสติที่เจริญ ง, งอกงามเนี่ย ถือว่าเป็นคนมีโชคนะคูจาตรัสว่าผู้มีสติย่อมโชคดีตลอดเวลาหรือจะพูดให้กลายเป็นว่าผู้มีสติย่อมโชคดีตลอดการก็ได้ผู้มีสติย่อมโชคดีตลอดเวลาหลายคนเนี่ยไปหาโชคจากที่นั่นที่นี่นะไปหาโชคจากวัตถุมงคลไม้มงคลสีมงคลนะไปหาโชคจากอะไรต่ออะไรมากมาย จริงมันมีอยู่แล้วในใจเรานะคือสตินะแต่เราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาให้แข็งแรงถ้ามีสติเนี่ยจะมีความโชคดีตลอดเวลานะนะเช่นเวลาเราเดินลงบันไดถ้าเรามีสตินะมันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุตกลงมาหัวฟาดพื้นอย่างนี้เรียกว่าถ้าใครที่ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าโชคดีนะเข้าห้องน้ำนะถ้ามีสตินะก็เข้ามา และออกไปอย่างปลอดภัยแต่ถ้าไม่มีสตินะก็อาจจะก้าวพลาดลื่นถลายหัวฟาดพื้นกลายเป็นอมาพาสพิการถ้าไม่เจอเหตุการณ์ น, น, นี้ถือว่าโชคดีนะเข้าห้องน้าแล้วหัวไมฟาดพื้นนี่ถือว่าโชคดีโชคดีเพราะอะไรนะโชคดีเพราะสติขับรถเนี่ยถ้าว่าไม่จะอุบัติเหตุเพราะความเมามายเพราะความประมาท ไม่ไปชนคนตายหรือว่าไม่ไปแหกโคง้งลงคูนี่เรียกว่าโชคดีนะโชคดีเพราะอะไรเพราะมีสตินะเดินผ่านร้านเหล้านนะไอ้กิเลสมันก็จะมาชวนนะชวนให้กินเหล้าเถื่กินเหล้าเถืนะ่อหรือเดินผ่านบ้านเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนกําลังกงเหล้ากันอยู่กิเลส ม, มันมาชวนนะว่าให้กินเหล้าเถะนะื่อ ถ้ามีสติรู้ทันกิเลสนะเออไม่หลงเชื่อมันเดินผ่านไปเลยอย่างนี้เรียกว่าโชคดีนะเพระเกิดหลงเชื่อมันเมื่อไหร่ก็อาจจะเดือดร้อนกินเหล้าเมามายไปทะเลาะ ก, กันเตีกันตายขับรถเกิดอุบัติเหตุพิการอันนี้เราโชคร้ายเห็นเห็นเงินคนอื่นเขาวางอยู่บนโต๊ะนะโทรศัพท์หรือว่าเป็นทองสายสร้อยวางไว้หรือแขวนไว้ในห้องน้า กิเลสมั ก, ก็มาชวนว่าเอาไปเถอะนะไม่มีใครเห็นถ้าเกิดลงเชื่อกิเลสนะก็อาจจะอยู่รอด น, นอนทุกข์หรือว่าอาจจะต้องติดคุกติดตารางในวันหน้าถ้าไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าโชคดีและที่โชคดีได้เพราะอะไรไม่ใช่พราะตำรวจจับไม่ได้แต่เพราะมีสติรู้ทันมีสติรู้ทันนะไม่หลงเชื่อความชักชวนของกิเลสให้ลองดูดีๆนะชีวิตประจําวันของเราเนี่ยที่เราอยู่ได้ ราบรื่นอย่างเมื่อวานนี้เราก็อยู่ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยวันนี้ถ้าเราอยู่ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ให้รู้ว่เป็นพอาสติเดินลงบันไดนะเข้าห้องน้ำนะเสียบปลั๊กนะขับรถไม่มีอะไรเกิดขึ้นราบรื่นปลอดภัยนั่นพอาสติอันนี้เรียกว่าโชคดีอันนี้พระเจ้าจบอกว่าเนี่ยผู้มีสติย่อมโชคดีตลอดเวลา อยากโชคดีนะออกพรรษาแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้สึกเสียวๆนะเพราะว่าตอนเข้าบรรษานี่เออมาจําศีลอยู่ใกล้วัดนี่อาศัยบา ร, รมีของพระตัณฑ์ไาตา่คุ้มครองอาศัยบา ร, รมีของศีลคุ้มครองออกพรรษาแล้วนี่เหลือแค่ศีลห้าหรือบางทีอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าศีลห้าครบหรือเปล่ามันเสียวๆมันว้าวเวมันไม่ค่อยมั่นใจหลายคนก็ไปให้พระมาลดน้ํามนต์จริงๆไม่ต้องหรอกนะแค่มีสติรักษาใจเนี่ย ใจิตใจก็จะมั่นคงนะมั่นใจได้ว่าจะปลอดภัยจะมีแต่ความโชคดีคำวันศานี้มันก็ยังชวนให้เราคิดนะว่าเออมีเข้าก็มีออกนะก็เช่นเดียวกันนะเจอกับจากนะมันก็เป็นของคู่กันมากับไปเนี่ยมันก็เป็นของคู่กันมาแล้วก็ต้องไปเจอแล้วก็ต้องจากนะเหมือนกับเข้าแล้วก็ต้องออกชีวิเราก็ เรามาโลกนี้นะสะวันหนึ่งก็ต้องไปจากโลกนี้นะให้ข้าพันศาเนี่มาเตือนใจเราอย่างนี้ด้วยนะว่านี่เป็นธรรมดาโลกมีเข้าก็ต้องมีออกนะเจอก็ต้องจากพบแล้วก็ต้องพรากนะมาแล้วก็ต้องไปสวันหนึ่งเราก็ต้องออกจากโลกนี้ไปนะก็มีหลายคนก็ไปก่อนเรานะจนน้าไม่ทวนแล้วให้ระลึกบ้างว่าเออทุกอย่างก็มีวันสิ้นสุดนะเรารอให้ เข้าพรษาสิ้นสุดนะเรายังได้ไปเที่ยวเราจะได้มีสละนะแต่ก็อย่าลืมว่าชีวเราก็มีวันสิ้นสุดเหมือนกันนะไอ้ความสิ้นสุดเนี่ยนะของชีวิตเนี่ยระลึกไว้บ้างก็ดีโดยเพราะในช่วงนี้นะก็มีการพูดถึงการสวนโคดของในหลวงก็อย่านึกถึงแค่นั้นนะให้นึกถึงเราว่าสักวันนึงเราก็ต้องอเดินตามท่านไปเหมือนกัน ถาถามใจเราว่าเออเราพร้อมหรื อ, อยังนะเราพร้อมหรื อ, อยังเท่าวันนั้นมาถึงนะเรามีสเสบียงนะติดไปหรือเปล่าเมื่อจะต้องเดินทางไกลสเสบียงในที่นี้ไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ที่ดินนะที่สะสมมาในเวลานี้นะนะแต่มายถึงบุญกุศลนะบุญกุศลนี่อจจะเป็นสเสบียงที่จะพาเราไปให้อยู่รอดปลอดภัยในภพหน้า แล้วลึกแปลว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องมีวันเส้นสุดนะชีวิตนี้จะต้องจากโลกนี้ไปนะนั้นพยายามสร้าง ส, างสมความดีสร้างบุญสร้างกุศล น, นะปลูกทาไม้เป็นที่พึ่งในจิตใจเอาไว้นะแล้วก็ให้คิดว่าแต่ละวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี่เป็นโชคอย่างหนึ่งพะความตายเกิดขึ้นแล้วกับเราได้ตลอดเวลาถ้าเรายังไม่ตายนะก็แสดงว่าเรายังมีโชค แลเมื่อเรามีโชคแล้วก็ควรจะใช้โชคนั้นให้ดีก็คือทําความดีทําบุญทำกุศลทุกวันที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยควรตอบแทนนะโอกาสนี้โชคนี้ในการทําความดีไม่ใช่ทําชั่วไม่ใช่เที่ยวสนุกสนานแต่และ ว, วันที่เรายังไม่ตายเนี่ยมันคือโชคเป็นพรนะที่ได้ได้รับก็ตอบแทนซนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็น โอกาสในการที่จะหาความสุขนะแต่มันเป็นความรู้สึก ข, ขอบคุณว่าเออในเมื่อเรายังไม่ตายเรายังมีลมหายใจยังได้อยู่กับลูกได้ยได้อยู่กับคนรักได้อยู่กับพ่อแม่ก็ตอบแทนโชคที่เราได้นะด้วยการทำความดีมาให้ทารักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาอยู่เป็นนิดทำอางนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้อยู่ได้กันานานๆนะตอ่อพรรษาแล้วนี่ก็นุโมทนานะ นะพ่อแม่ออกที่มาจำศีล น, นะนะส่วนใหญ่ก็ามากันทุกศีล น, นะก็ถือว่ามาเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติกับพระโดยพาะพระใหม่กับแม่ชีนะก็ต่อภอาษาแล้วเนี่ยปีหน้าเข้าราษาก็มาใหม่นะคนอื่นใครจะมาหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขานะแต่เรานะถ้ามาได้ก็มานะถือว่ามาตอบแทนบุญคุณนะ หรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราเนี่ยยังมีลมหายใจยังมีชีวิตยังสามารถจะเดินเหินมาที่วัดได้ก็ให้ปีหน้าก็มาพบกันใหม่นะอย่าเพิ่งรีบตายมาพบกันใหม่นะไม่ว่าจะเป็นคนจะมาจำศีลหรือมาภาวนาก็ตามเอาแล้วกเ็เท่านี้แหละนะ